พูดกับทุกคนนะพูดกับทุกท่านเก็นสิ่งสาคลหน้ราร้อยสาทยายพระสูรชัดเกลนแม่นยำตามความเห็นตามให้ถูกต้องพออยู่พอกินเหลือกินเหลือใช้ทางกิจวิญญาณไม่จน ถ้าทำให้มันจเจริญงอกงามเหมือ ก, ก่อเเคยเจ็เจ็บตายได้เราจึงไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เราได้สาธยายพระสูตรนี่มาตั้งแต่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตน เอกนามไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันถูกต้องที่สุดเป็นสมมาทิฏฐิถ้าเราได้เห็นเรื่องนี้ครับปเราเสียเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นานเท่าไหร่เอว่าเป็นตัวเป็นตนตกับสิ่งเหล่านี้กี่ภพกี่ชาติกี่แสนภพกี่แสนชาติมันเป็น อย่างรเราเป็นสุขเพราะสิ่งที่เราสาทะยายมาเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราสาทะยายมาไม่มีจริงไหมมันออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้จริงๆเหรอเราจึงเห็นชัดเจนแม่นยำจนมาถึงเรื่องในรื่องการนี้มีเจสา ผมคนเล็บปันหนังเนื้อแงงก็อยู่เรื่อในกระดูกมากมือใจตับไตปอดขยายใช้น้อยหันใหม่หานเข่านี่มันเป็นธาตุดินเป็นดินของที่เป็นเชื่อมแข็งจะเป็นดินทักระดับในร่างกายเรานี่มันมีส่วนประกอสี่อย่างเปดินแล้วก็เป็นน้ําดีเลือดหนองเ็ษน้าลายน้ํามูกน้าตาละมันไข่ก้น นนม้มีอยู่ในนี้เป็นกองตั้งอยู่นี้กองอยู่นั่นหลายกองตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็ลมพัดขึ้นเบื่อบนลมพัดลมมื่อต่ําลมไหท้องลมไหลใช่ล ม, ล ม, ล ม, ใใลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกนอกจากนั้นก็มีไฟเพาราะว่างานให้ย่อ ย, ยไฟยังร่างกายให้อบุญไฟยังทําร่างกายให้สุดโศก มันมีอยู่สี่อย่างนี้อันรูปที่มันตั้งอยู่นี่ส่วนที่เราสาชย า, นนามันเป็นนามสมค่าที่มันเป็นนามรูปไม่เที่ยงบุญธร า, ามไม่เที่ยงสุขทุกข์เป็นนามมาธรรมแต่เม้เราเกิดจจะไป ต, ตรงนี้เราจึงเห็นตางนี้เวลาเราปฏิบัติ เราเวลาเราปฏิบัติมันใช้มาให้เราเห็นมีอะไรบ้างไม่ต้องว่าเวทนาไม่เที่ยงมันเห็นเวทนามันเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญานเห็นยังไงมันติดมาตั้งแต่เท่าไหร่นานเท่าไหร่วิญญาณมันติดมา ติดความรักติดความชังติดความสุขติดความทุกข์ติดความพอใจไม่พอใจวิญญาณน่ะมันติดมาที่ใดก็เป็นความรักถ้าเป็นความรักแต่เป็นความชังมาที่ใดก็เป็นความชังไม่เป็นเดิมนี่ว่าวิญญาณแบบท่องเที่ยวแบบรับใช้ของสุขของทุกข์ของความพอใจไม่พอใจ ตามรักของช่องนั่นเอลาเราปฏิบัติแล้วก็มีสติทักท้วงตู้โตกี่เห็นพวกเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีแต่สิ่งเหล่านี้แหละเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณ เป็นเป็นการโชว์บางที่สุดตั้งแต่ที่แรกจนถึงสุดท้ายอันความโกรธความโลกความหลงเขาจะโชว์ไม่มากนักหรือบางทีอาจจะไปก่อนหม่ เช่นพระสูรวันพระกิติทาคามีทำลายความโลภความโกรธความหลงลงได้ตั้งแต่ตอนต้นเลยเดียวส่วนอุปทานในขันห้าที่เป็นรูปไปธนาสัญญาสังขารอย่างโชจนถึงสุดท้ายเรียกว่าอุปทานในขันห้าเป็นตัวทุกข์ ไม่มีอุปทานในขดาดทั้งหาไม่เป็นทุกแล้วก็จบแค่นั้นเองน่าจะได้รธรทมทันทีถ้าเรามาทำให้แจ่มแจ่งชัดเจนเวลาเราปฏิบัติไม่ใช่ไปนค้นหามันออกมาเองให้เราเห็นมาในความคิดความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็กจาความคิด ความคิดที่ไม่ตั้งใจตัวนั้นแหลเป็นตัวสังขารมันเคยเดินทาง ม, มันเคยใช้ชีวิตของเรามามันไม่ให้อยู่นิ่งเวลาเราไม่สติมันจะแข่งขันมันจะแข่งแซงหน้าแสงหลังตัดหน้าตัดตาความคิดความคิดใช่สติ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สติแน่นอนความคิดความสุขก็ไม่ใช่สติความทุกข์ก็ไม่ใช่สติความพอใจไม่พอใจไม่ใช่สติสติไม่มีกันอย่างนั้นเราก็มีอยู่ในเราแล้วคิดไปปฏิบัติไปใช่สิทธิไปทางได้เห็น ความกความทุกข์ไม่ใช่สติแล้วอะไรต่างๆมันเป็นมันเป็นได้ไหนไม่ใช่สติสติมันจะเห็นเฉยๆจบแค่นั้นรู้สึกตัวจบแค่นั้นอะไรที่เกิดขึ้นกรู้สึกตัวจบแค่นั้นอย่าเพิ่งไปแยกไปแย่เอาผิดเอาถูกบางทีแม้มันผิดก็ยังเอาว่ามันผิดมันไม่ใช่สติมัน ตายไปแล้วมันตายพันไปแล้วข้ามไปแล้วบังทีก็ทวมคิดก็ทำให้เป็นโชกเป็นทุกข์มันกลายพันไปแล้วเห็นมันคิดบันเพ้นจิตการบันเพลงจิตเป็นทําให้เกิดการตัดสู้ควาเพ้นจิตคือมันคิดขึ้นมาเห็นมันคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิด นี่คือบำการบําเพ็ญทางจิตนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ไม่ใช่ไปรทรมานร่างกายนอนเชี่ย น, นอนหนอมไม่กินไม่หลับไม่นอนการบําเพ็ญทางจิตคือมีสติเห็นจิตมีจิตเห็นกิดนั้นๆเอาแต่เล่มนจนจบนี่แต่มีสติส ต, ตอนที่มีสติต้องประกอบเหมืนเรามีฐาน ม่า น, นักลบที่มีฐานนักรบที่มีฐานนักลบก็มีอาวุธกายเป็นฐานสติตั้งอยู่บนฐานนั่นเหมือนป้อมป่าการเวลาศัตรูมาอาวุธคือสติยิงให้แม่น บันหลงรู้แม่มาเป็นคู่กันพอดีระหว่างหลงระหว่างรูกกำลังผลคือสติกาศึกคือความหลงบาปความหลงนั่ อะไรที่เกิดจากความหลงไปไกลไปไกลมากไปถึงพบถึงชาติชลาดมรณะถึงขั้นเกิดจเจ็บกายถึงอาบายก็มีความหลงไปไกลเป็นเปรตเป็นสารโลกเดชาติอาชุลกาลราบภ้าศึก ได้นากมืนกอาวุธม น, นก็บกำลังพลปราบฆ่าศึกกำลังพล น, น้อยปราบฆ่าศึกได้จะมวนมากไม่ต้องทำอะไรเวลามันหลงขึ้นมาลรวนีดเดก็ตามรู้สึกตัวพระปา น, นเลยนี่ว่าริงแม่นเร็วไปไกล ทั้งแม่นทั้งเร็วทั้งไปกลาถึงที่สุดมีเท่าไ ห, i, หาไร่ถึงหมดตั้ชื่อว่าความหลงอะไรที่เกิดจากความหลงถึงหมดนี่คือการลองคลปราบภ่าสึกกาลองผล น, น้อยๆปราบภ่าฉึกได้มากเพียงพอสนุกดีเวลามันหลงมันชิดนั่นแหละ เป็นการฝึ ก, กาอาวุธที่แม่นในบทเรียนที่มีค่ า, าประสบการณ์ที่ดีปฏิบัติท ร, ร ม, มันจะคิดมากตลอดมันมีการลรู่ทมตรงนั้นไม่ใช่มันจะงบถ้าเราปฏิบัติไม่สติอยู่เนี่ยมันคิดขึ้นมาลูคิดอีกคิดอีกลู้อีกลู่อีกนั่นหละจึงจะได้เป็นลู่ทไม่ใช่เปนนั่งสงบ การสงบสอนง่ายนิดเดียวเราเคยสอนคนมาแล้วเราเคยฝึกแบบความสงบมาแล้วตั้งแต่อายุสิบกปีถึงอายุสามสิบปีเวลาอยู่ในความสงบมันก็ดีเน่นนิมิตไปด้วยเป็นหมอศีลศาสตร์รักษาคนป่วยคน บ้าอาศยจิตประเภทนี้แต่เวลาออกจากความสงบมันก็เหมือนเดิมเหมือนศิลาทับยา้าเมื่อเอาศิลาออกแล้วย้าที่ศิลาทับยิ่งงามกว่าที่อื่นงอกขึ้นได้ไหวยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ไม่เจ่ะต้องสิโลนี้เลยไม่ได้ถอนรากถอนโทน แต่ต้องสัสหาความสงบพิดถึงความสงบอยู่ที่นูน่นอยู่ที่ห้องพระนูน่นต้ังไล่เวลาเวลาไปทำนาอยากให้มันข้าง่ายๆจะได้ไปนั่งอยู่ในห้องพระจะได้ทำความสงบอยู่ข้าว อยากให้มันค่ำจะได้ไปนั่งอยู่ในห้องพระทํางานทําการก็อยากครับมันเสร็จจะได้ไปนั่งอยู่ห้องพระความสงบอยู่นู่นอตอนเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มนูเวลาใดวันไหนถนนถนมไม่ปล่อยจิตปล่อยใจมีศีลไม่ ทรงสาบไม่พุงไม่แต่งสำรวมอินทรีอยู่กับอาทงานอยู่กับผู้คนไถนาเจียวข้าวเมื่อไหลใคร ย, ย, ย้อยต้องสมบวมอินทรีปิดสินไม่ได้ก็จะทำความสงบได้ยากถ้าวันไหนสำบวมดีเปิดประตูห้องออกไปมันบู๊พอไปจังนั่งไม่สำเนตแต่มันสงบ แต่วบันไหนที่ไม่สมรวมอินทรีย์ดีเงื่อไ้ไครย่อยก็ไม่สงบเวลามันไม่สงบก็กุดหั่ชาจนึกองโทษตัวเองทำบาปทำกรรมเลยมาคิดแบบนั้นไปแล้วก็มีลักษณะแบบนั้นมันก็ไม่มีแต่ต้องเอวกุศลและธรรมเลย มีแต่เช่านั้นเวลาเราไปปฏิบัติการหลวงพ่อที่นั่นเห็นพระเห็นสงฆ์ที่อยู่กับหลวงปู่เราก็คิดมาม่าปอปเปียบเทียบระหว่างเรากับพระเราต้องดีกว่าพระสิ่งที่พระท่านพูดเราพูดไม่เป็นสิ่งที่พระท่านทำเราทำไม่เป็นเราดีกว่าพระมีศีลกว่าพระเป็นอย่างนั้นนะ มันแช่งในใจไหเปรียบเทียบถ้าโอพระรูปอื่นมาเป็นสร้างสไตล์ปฏิบัติเป็นไปแตยากจริงเอาหลวงพ่อเทียนองคเดียวรูปเดียวเท่านั้นเชื่อมัน่นหลวงพ่อเทียนเชื่อมั่นในลักษณะกรรมฐานที่ธรรมชายะบับพภะในสติเชื่อมั่นมากตรงนีน้ไม่เคยรู้อย่างนี้ มีแต่ความสงบเข้ามาได้หลักได้แล้วแน่นอนแล้วมันใจติ๊ ก, กชีวิตลงใส่ลงลิ้นกันทันทีเหมือนกับคนทํางานจุ่มลงไปทันทีเลยทีเดีไม่ยิบยิ บ, ยบจอมจอมจุ่มลงไปทิ่มตัวลงไปในงาน ท, าทันทีการกระทํากับงานกับชีวิตอันเดียวกันเลย เวลาเราได้ยกมือสร้างจังหวะมันมั น, นไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็มันก็ใช้ได้จริงๆรงความสุขไม่ใช่สตินะความคิดไม่ใช่สติความพอใจไม่พอใจไม่ใช่สติส ต, ติไม่เป็นอย่างนั้นตัดไปเลยลูกตัดลูกตัดลูกตัดแล้วพ่อเทียนเอาไม่ฉีดลูกไม่ฉีดมาสงลูก เอาหัวไว้ขีดชนกันไว้นั่งอยู่ด้วยกันเอาหัวไว้ขีดชนกันไว้ตัวสติจะลู่ตัดไปเนี่ยตัดระหว่างมชนกันเนี่ะมันจะชนกันแล้วตัดหมายถึงความชิดความสุขความทุกข์มันจะมาใช่คายใช่ใจตัดสติจะลู่ตัดสติลู่ตัดตัมโมแจกก็แจกก็ลู่ตัดลู่ผ่านลู่ผ่านลู่ผ่าน อย่าไปรูปแบบดูหน้าดูหลังซาใจขอผัวสุขทุกๆุกอใจไม่พอใจไม่ใช่รูปแบบนั้นตัดเลยอย่าอะไรกับสิ่งเหล่านี้มันสุขก็รูปไปมันทุกข์ก็รูปไปถ้าเราให้สุขใครทุกข์ให้สุขเป็นสุขให้ทุกข์เนทุกข์นั่นไม่ใช่สติแล้วกายไปแล้วข้ามไปแล้วโบราณท่านว่า ดึกข้อนข่ามบกม่วงมาม่วงอยู่นี่ดึกข้ามไปโดนดึกขี้ข้อนกว้า ง, างดึกคข่อนข่ามบกม่วงอยากได้มะม่วงแต่ว่ากว้างกว่ามันข้ามไปเวลาเจ้าก็ข้ามหาความศึกษาไม่มีตัวเนี้มักจริงๆมันคือลูกสุขทุกแต่ไม่ใช่มักเป็น ผลของความหลงผิดผลความบกผิดผลของความรู้รู้เราก็จบแค่นั้นในสุขก็ไม่เป็นสุขเป็นรู้ไปเลยในทุกไม่เป็นทุกเป็นรู้ไปเลยอย่างเนี้ยให้ความเตียดความจังให้เป็นความเกียดความจังเป็นความรู้ไปเลยมาอะไรมาติดอะไรมาเปรอเพื่อนอะไรมาสะสารกันได้เล ย, เลยสนุกดีแล้วก็มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆ เคยท่องเที่ยวในโล ก, โลกมีรถของโลกเต็มไปหมดหนักเป็นภาราหาเวปันจักกันธานหนั ก, นกอย่ามาคุยกวดคนในโลกเนี่ยความทุกเนี่ยไม่มีใครเสมอเราได้หรอกโดย ม, มาทุกข์แลเนียมันก็ดีมันดีเพรานนั่นะ เ, เวลามันมาได้หลับก็กตื่อตื่นล่นนะ อาจจะเหมือนองค์คริบาล น, นะเคยทำผิดมาแล้วอุย้ยกระตือรือร้นมากโอนโน้มโถมตนยิ่งกว่าพระสงฆ์โลกเื ร, รนี่ดามัญญาตุูมนาวจนอุทานออกมาเป็นคาถาองค์คริบาลนะเปรมตโตปรมเตชะสัตเตสุเสพ้าชาขาลไม่ใช่ จำไ ม, ม่ด้เดี๋ยจะพูเพิ่มวัดคิดว่านี่เดยจะพูเพิมัดคิดว่าปัจฉาโสนปะปัจสิติโสมังโลกังปะปะอัปปมุตโตวจันทิมาอัปปมุตโตวจันทิมาเมื่อก่อนที่พื้ด เหมือนนิสว่าคพระจันทร์พ้นจากเมฆดูแลจิตตัวเองไงเหมือนพระจันทร์พอนจากเมฆแล้วแต่ก่อนมืดบอดมืดบอดเฉดลาบพลาดรู้จักมันเฉดหลาบมืดบอดผิดพาดตะตือเรืน่นสว่างสวยสว่างสวัยเหมือนพระจันทร์พอนจากเมฆเก่งเก่งชีวิตของ อาตมมาถ้าจะพูดองคติมานนะาถาองคติมานอาปรมัตโตปรมัตโตเตสุสัตเตสุมันไม่ชัดเกียนจำมันค่ได้นะประทับใจมากหนูภาพถึงกิจของโอธิบาที่รู้เรื่องนี้ขึ้นา่ามันกลับระบตดไปเลย มันตื่นตรงที่มันหลงนะ่ะมันหลงตรงไหนมันตื่นตรงนั้นนะ่ะจะว่าจะง่งมันคิดโดยไม่ตั้งใจมีสตินี่มันยอดเยี่ยมเลยนะมันสุขรู้สึกตัวขึ้นมามันทุกรู้สึกตัวขึ้นมานี่มันมีคู่ชกคู่ซ้อมคู้ชกคู่ซ้อมเฉพาะเราเก่งขึ้นเราเป็นเข้ม องสนามที่ใดทีนนทดท่นั่นที่ใดที่นั่นจู่ปุหมายเข้าประตูทุกทีประตูคือถึงขวมรู้สึกตัวทุกครั้งไม่พลาดเนี่ยต้องมีชิลปะจังหน่อยต้องอย่าอ่อนแออะไรเกิดขึ้นวันไหวไม่ได้เข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแอนิง่งตรงที่มันบวดไป เหมือนฝั่งทะเลขื้นขนาดไหนมากระทุบนิ่งไม่หวั่นไหวขึ้นก็เด็นขึ้นไปอวัเละมันแข็งแงรงกับจายตรงตัวที่ืึ้นใ่ญ่มาสองพัสกับฝั่งทะเลอายเงียบสติเหมือนฝังทะเลเจ้เขือนอั น, นกันขิด เป็นสกุขเ่อนอันกันกิเลสปุิลาทถงทึบไม่จเถื่อนเพราะขืนเพราหลมฉันได้ผู้มีสติฝึกหัดดีแล้วไม่บวมไหวเพราะนิทาฉันเสินสุขทุกอย่างนี้นะจนดกดีลงสนามกันเพระหลอมน่ะเาระาพาท้าไหนโสตายเราคิดเป็นเดิมพันความตายไม่มีค่าอะไร สุดหมายปลายทางมีค่าที่สุดเป็นความเป็นที่หมายของหรงคือไม่เป็นอะไรความตายไม่มีค่าเลยสำหรับเราความเก็บความปวดความสุขความทุกข์ไม่มีค่าสำหรับเราเราจะให้เหนือไปกว่านี้อีกถึงแบบว่าที่รู้สึกตัวรู้จึกตัวนัว่น พุทธะเกิดที่นี่เกิดที่รู้จึดตัวรู้จุดตัวหนออ่อโพธิกุญแจนเข้าแยกกแนออกกนเข้าหยกแนออกรู้จุตัวมันมีหลักกยแล้วเวลาอะไรที่มันเกิดที่ไม่ที่ไม่ใช่ความรู้ตัวใช่ความรู้ตัวไปฉเฉลยได้ทุกกัเลี ว่าแต่ใช่สติให้มันชั่งนิชั่งนานมันชํางนาญอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วประกอบอยู่แล้วฮิตมือทีใดก็รู้ทันทียกขี้ใดก็รู้ทันทีวางโล ก, ก็รู้ทันทีก้มลงก็รู้ทันทีมันเป็นโกบเป็นกรรมขึ้นมานะามันทันดีกับนี่อะไรที่เกิดขึ้นกับรู้ทันที เหมือนกันกับรูที่เคลื่อนไหวตัวนี้การเคลื่อนไหวของกิดที่มันคิดรูทันทีมันสุกก็รูทันทีมันทุกขก็รูทันทีอย่ามนนจากพลาดต่อยังไนมันก็แม่นตลอดเวลาถ้าเราชำนิชำนานใส่ใจดีๆอาจจะไม่นานนะปรับปุงอยู่เสมอ อย่าอนอย่าทอดทิ้งติดตามติดตามถ้าหลงก็บรรลเรียนที่อยากจะจากความหลงหลงตรงไหนมันจะรู้ตรงนั้นถ้าหลงเลยประมาทตรงที่มันหลงสุขในเชงที่มันสุขทุกในตรงที่มันทุกอย่าหลงตรงนั้นสุขก็เป็นรู้ทุ ก, ก็เป็นรู้ผิดก็เป็นรู้ สงฆก็เป็นลูกพุ่งซ้านก็เป็นลูกไอชํานาญอยา่างนี้หรือว่าปฏิบัติหรือภาวนาให้มันดีขึ้นภาวนาคือให้มันดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ไหวขึ้นชํานาญมากขึ้ น, นจนเป็นปะดินยาทุกขังหรือสัจจะปริยยติเมพิกเวน ทุกของอกังอดีตสัจจป่าต ậ ปันติเมพิกเวรปริญญายาติเมเพรู้ลแล้วปังลันติเมพิกเวทำให้หมดแล้วมันเป็นอย่งางนั้นในหลักปฏิบัติมีปัญญาลู้เห็นตามความเป็นจริงจริงใดก็โดโลู่ลู้ทำให้หมดไป ว่าเลยเมื่อจะพูดว่ า, วาเห็ น, นไม่เป็ น, เ, ปนเห็นไปเรื่อยๆติไม่พูดไม่เป็นต้นจากสิ่งที่เป็นบางตาตมันติเมฆพิเวหมดไปแล้วมาแล้วหมดไปมาแล้วหมดไปเหมือนคลื่นด้เลยมากระทบตังมาแล้วหมดไปมาแล้วหมดไป ทั้งปลิงย่ยันติทั้งปหาถัดพันติทั้งภาถัดพันติสมลักษณะดังที่เราสาธิย่อยพิสูตรในธรรมจักกะปวัตตะสูตรมีปัจจัยสอาการสิองอะไรก็ขึ้นเห็นไม่เป็นพ้นจากภาวะที่เป็นมันฉุกเห็นมันฉุกไม่เป็นผู้สุกมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุก มันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผิดถ้ามีสติมันไปถึงปัจจัยสามเลยสามลักษณะสามลักษณะเหมือนเราเห็นงูเทรๆเห็นเราออกไปจา ก, กงพ้นจากงูถ้าไม่ออกมันก็ถูกงูกัดที่เป็นอันตรายก็ไปเองตาย มันยังรู้จักช่วยตัวจิตใจนี่ถ้าไม่หัดมันไม่เป็ น, นมันยิ่งเข้าไปเอาสุขมันก็เข้าไปหาสุขทุกข์ก็เข้าหาทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัวหัวล่อหลองไห้ถ้าไม่มีสติสอนเนี่ยมันเป็นแปรยญาอันจิตใจของมนุษย์เนี่ยจะไปทาพิธีอื่นๆทำลงไปไม่สาเร็จแน่นอนอ้อนบอสบวงสวง จวอะไรต่างๆขอเถอะนั้นขอเถานี่องกันโรกป้องกองไม่ภูมิไม่สำเร็จเป็นไปไม่ได้เลยโอกจากสติต้องประชัญยามันจึงจะสำเร็จเป็นกรรมสำเร็จได้ที่กรรมกรรมเป็นใหญ่กรรมฐานสติฐานเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อ่า จะขอสาธยายอย่างนี้จนตายถ้ามีใครฟังนำไปปฏิบัติอาจจะได้เห็นมักเห็นผลเห็นมักคือธรรมเห็นผลธรรมได้แล้วเอ้ยหลงไม่หลงแล้วหลงที่ตรงไหนไม่หลงที่ตรงนั้นเอ้ยทุกข์ที่ตรงไหนไม่ทุกข์ที่ตรงนั้นเรียกมักผล มันต้องเป็นอย่างนั้นบ้างชีวิตของเราบางทีหลงจนตายทุกข์จนตายโกรธจนตายเกลียดชังก็ชนตายบางทีไม่ได้นะอันนั้นไม่ใช่ชีวิตอันเป็นอะไรไม่เป็นวิญญาณของะหมายชันต่ําๆให้ความโกรธมาข้างขาจิตใจให้ความทุกข์มาข้างขาจิตใจ เป็นวิญญาณทางต่ําเป็นอัมบายทางต่างตํ า, าไม่เฉริน่นคิดประเภทนั้น <c oughs> ต้องยกจิตขึ้นสูงวิปัสสนาลูกแจ้ง <c oughs> เห็น <c oughs> เหมือเ <c oughs> หนือโลก <c oughs> ถ้าไม่ยกจิตมันก็ต่ําถูกทับถม <c oughs> มีความทุกข์เป็นบอร์หน้ามีความทุกข์ย่างเอาอย่างโนอย่างเอาได้อยอมทุกข์ยอม สยอมทุกข์ยอมโขจ้อมอยู่ตลอดเวลาวิปัจฉนามันยกติดขึ้นสูงพ้นภาวะเก่าสูง ข, ข, ขั่วเก่าสูง ข, ขั่วเก่าถูกโลกทับถมไม่ได้ยอมหลงอยู่ต่ำๆโน่นต่ำต้อยจะลงก็อยู่ให้เขาทับถมไม่ได้ ความปวดความทุกข์อยู่ต่ตำๆของต่ำสามของชันปุตุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเ็าไม่ให้สิ่งเหล่านั้นทับถมได้มันต้องมีค่าบางชีวิตของเราบันเพื่อการนี่เลยตรงนานมีกายมีใจมีลูกมีนามมีวิธีปฏิบัติ ส่วนความลูกชั่วเร็วชาวไม่มีวิธีปฏิบัติมันเป็นรดของโลกทับถมมันมีอยู่นี้มาก่อนแล้วน่าพสนเสริญสุขทุกข์เ็นทามีมาก่อนแล้วถ้าเราไม่ศึกษามันมันก็มีอย่างนี้แหละจึงเป็นพระอริยเจ้าได้เหนือโลกแบบนี้นะ เราจึงมาฝึกตนสอนตนไปๆซักต่ออย่าประมาทไว้คืออย่างไรไว้ต่อสิ่งที่มันผิดภาดอย่าเชื่อชาจ๋าดื้อด้านแม่มันสุขก็ยังด้านในความสุขมันทุกข์ก็ยังด้านในความทุกข์ งั้นหลงก็ยังน้านในความหลงไม่อายไม่ไหวเป็นคนประมาทมาทีไรก็ถ้าสุกมาทีไรก็เป็นสุกร้อยข้างเป็นหนเดียวประมาทไม่ไหวความสุกมาทีไรรู้สึกตัวหนึ่งอันนี้ไหวแค่หน่อยเป็นผู้ใหญ่สุกเห็นมันสุก ดีกว่าคนที่สุขเป็นผู้สุขคนที่มีทุกข์เป็นผู้มีทุกข์อายุถึงร้อยปีไม่ปเสริฐเหมือนคนที่เห็นสุขไม่เป็นผู้สุขเพียงครั้งเดียวไม่ได้ลองรู้ซิจะเป็นอย่างไรเมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูซิหัดจิตวิญญาณเขาตอนอย่างเนี้ประเสริฐกว่าคนที่มีอายุร้อยปีถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงไม่ระเจอตารางอาวัตกันด้วยคุณธรรมอย่างนี้นี่ว่าคุณดาวุดเรียกว่าคุณธรรมเราเจงพยายามฝึกตนสอนตนมันฝึกได้มันหัดได้ ได้ประโยชาาน์จากมันถ้าไม่มีทุกพระพุทธเจ้าไม่ตัดฉลุพระพเจ้าตัดฉลุผลกรทุกจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกมาเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงความหลงเกิดจากอะไรนะความหลงเกิดจากอะไร พอตอบได้ไหมตอบได้ทุกคนความหลงเกิดจากไม่มีสติสติไม่มีเกิดเพื่ออะไรเพราะความประมาทความขี้เกียจฉี้ห้านความไม่ประกอบความไม่ใส่ใจปล่อยปละและเลยชีวิตยอมเจริานาเข้ามายั่งยืนเจริญทุกวันเราหวนตายเราหวนเก็บ พ่าที่จะยอมรับเลาะรองให้เดยกมาประมาทนาเธอพวกเรานาทางนี่ลองดูมีสติสอาสิสควนนี่เอาให้เต็มที่มีปัญหาอะไรก็ถามกันบ้างไม่มีก็ถามตัวเองบางทีคำถามจากการปฏิบัติ ถ้าเราทำอย่างนี้มีสติเห็นมันไม่เป็นกับจริงต่างๆยงนี่เดียวไม่ต้องถามใครอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์ย่องหลงย่งสับสนุวุ่นวายอยู่พอถามกันบ้างถ้ามีสติเห็นวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นหลงเวลามันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดเวลามันถูกเห็นมันถูกไม่เป็นผู้ถูกเวลามันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุข เวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์ม่เป็นผู้ทุกข์กกไปล่อยได้เลยไปได้สะดวกประวัติหลวงพ่อเทียนเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงนสมยการปฏิบัติเด็กเหมือ เ, เลยนะเอาจริงๆนะมันมีอย่างนี้ไม่นานนะไม่นานถ้าทำหยกหยกนยหย่อน เล่นเล่นอยู่ออกจะด้านไปเลยด้านแท้ในความหลงกดด้านไปเลยถ้ามีสติมันไม่ด้านในะความหลงมันหยาบพลายที่สุดความคิดนี่หยาบพลายที่สุดคนที่ด้านไปเห็นความทุกข์เห็นความโกรธจึงรู้จักว่าตัวเองทุกข์นั่นคนด้านมากๆแล้ว ตอนที่มันจะทุกข์มันต้องหลงก่อนมีสติมันเห็นตัวหลงน่ความหลงนี่เลวสามที่สุดหยาบคายที่สุดเป็นจมเรอยเหมือกหนึ่งอันความทุกข์ของโกรธนั่นเป็นจํารอยสุดท้ายอ่อนออนตัวอาการมันเคยตัวหลงเมื่อเรามีสติจะเห็นเรื่องนี้แน่นอน สาหลายความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความหลงที่บันคิดมันคิดขึ้นมาเพราะมันหลงโดยที่ไม่ตั้งใจนะสติเท่านั้นที่ไปรู้เรื่องนี้แต่ละเอียดขนาดไหนอันชื่อว่าความทุกข์นะแล้วกับน้ำกับน้ำมันน้ำมันแม้จะน้อยก็ต้องลอยอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ไม่ไม่ไม่อยู่ใต้น้ำเลยอยู่เหนือน้ำตลอดวลาแม่น้ำจะมากขนาดไหนน้ำมันแน่นอนก็จะดูเหนือน้ำเทน้ำลงใส่ให้น้ำมันจมลงไปไม่มีทางจมนี่คือธรรมชาติสู่ธรรมชาติ ชีวของเรามันต้องสู่ธรรมชาติดินต้องเป็นดินน้าต้องเป็นน้ํำลมต้องเป็นลมไฟต้องเป็นไฟไม่ได้ไม่ใช่มันปูนเปกันความหลงเป็นเรื่องหนึ่งความไม่หลงเป็นเรื่องหนึ่งความทุกข์เป็นเรื่องหนึ่งความไม่ทุกข์เป็นเรื่องหนึ่งแม้บางทีเราสร้างจิตวิาไปมันพลาทั้งหลงทั้งรู้ไป อย่าทำแบบดั้นตั้งต้นใหม่ถ้ามันหลงมันลู่เรื่อยไปยังทับหนูยังเดินอยู่ยังสร้างจังหวะอยู่ครึ่งลู่เครื่องหลงยังทำอยู่มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ตั้งต้นใหม่ตั้งท่ามันตั้งต้นทั้ง คิตใจตั้งต้นทางรูปกายเอามาตั้งต้นใหม่ถ้านั่งไปนานๆก็ตั้งต้นใหม่อาจจะวางท่าทางใหม่ร่างกายวางท่าทางใหม่ใบหน้าต้นคอน้าอกวางท่าทางใหม่หน้าตาวางท่าทางใหม่ ชิดใจวางท่าทางมอาจจะอมยิ้มยิ้มไม่ชั่งหน่อยใจดีสู้เสือจะเอายากบกปืนมึกปืนหน้าดำขำเขียดหน้าหนักหน้านอกหน้าในหน้านอกก็หน้าบูดหน้าเบึงหน้าในก็เศร้าเศม้าองบอมันไม่เหมาะใจการมารู้ามสิ่งวัดโลกไม่ดี น้าปฏิบัติเลยไม่เสดิจเลยบางทีก็ต้องหาพลังเสริมมีศรัทธามีสติมีความเพียรมีศีลมีปัญญาช่วยบ่าไม่ใช่งูก้มหน้าก้มตาไม่ดูข้างดูข้ายดูขวาแล้วก็ไม่รู้ทิศทูทาง ออกฉากบ้างนก็มีฉากทางกิตใจเหมือนเขาเล่นกีฬาเขามีฉากมีฉากที่ออกฉากเหมือนไปทางหนึ่งแล้ววิ่งไปทางหนึ่งบางทีมันก็ไปบางทีเวิ่งไปโน่นเหมือนเขาเล่นฟุตบอลฝีซ้ายฝีขวา แบกหน้าแบกบหลงังมันส่งถึงกันได้ดักแบบหน้ามันได้นี่คือศิลปะาการปฏิบัติธรรมทำ น, น้อยจอจะมีผลมากมาถ้าถ้าท่าทางดีเหมือนเราฟันขวนฟันดิน ท่าทางดีแรงมันดีเวียงได้ดีถ้าท่าทางไม่ดีเวียงก็ไม่ได้ดีไม่ค่อยมีแรงขุดดินก็ไม่เข้าควันไหมก็ไม่เข้าต้องมีท่าทางประกอบด้วยไม่ต้องจนชีวิตของเราในร่างกายในยืดขอลเานี้มีเยอะแยะส่วนประกอบให้เกิดกําลังขึ้นมาศรัทธาด้วย สติด้วยบ่วมเพียรด้วยใจมั่นคงด้วยมีปัญญาโลภรลู้ด้วยเอาอย่างคนดีแม้บางทีพระเจ้ายังบอกพระสงฆ์เอาอย่างไก่ป่าเอาอย่างหวังป่าเอาอย่างแง่รู้จักแง่ไหม <laughs> อะารอย่างนี้นี้เวลามาออกกมันงองพ อ, อพุ่นหัวกึ้มองหน้ามองหลังแห ล, ลือใช่เหลืวก็วิ่งไปไม่ไกลไปแค่นี้ก็หยุดเด็กหยุดเด็กก็มองหน้ามองหลังวิ่งไปอีกซึงมันเห็นเหยื่ออยู่นู่นมันโน้มมอเห็นเหยื่อละวงตัณห า, าทางขวาไม่มีแล้ววิ่งไปแค่นี้มองอีกวิ่งไปอีกสามสี่ครั้งจะค่อยถึงเหยื่อของมันจึงคาบเหยื่อ พอข้าวเย็นเลยก็วิ่งเข้ารูจำเร็จอย่าลุดีลงหลอนเกินไปอย่าด่วนรักอย่าด่วนนับอย่าด่วนปฏิเสธไว้เกินไปนับจ้างชังกิดไว้ก่อนจะสุขสุขเลยก็ไม่นับจ้างไปอย่าปวดจะสุขจะทุกข์ เรานั่งอยู่ความคิดจะลุกลุกตามความคิดมันก็ไม่ดีเสมอไปบางทีความคิดขอให้เราปฏิบัติทำคิดจะทําก็ทําคิดจะหยุดก็หยุดน่าจะหมาคิดอะไรทําตามความคิดแับนี้ไม่ชองทําตามความคิดแม่ไม่คิดจะลุกเออนี่คืาคิดจะลุก เราก็ไปลุกเราจะลุกของเราอย่างลุกโดยความรู้สึกตัวนั่งโดยความรู้สึกตัวหัดให้สตินำหน้าไปอยาให้ตามหลังเขาบางทีความคิดมันตามบอกหน้าออกตาตความสุขความทุกข์มันคิดสุข ก, ก็สุขมันคิดทุกข์ก็ทุกข์ ค, กกกความคิดเป็นย่างเคยตัด พอเปน็นตอนนี้ได้เด็ดขาดเอาตั้งแต่นี้ไปอันความสุขความทุกข์ก็จากความ ค, คิดจะไม่มีอีกแล้วเพราะมันหลอกอเรามาหลายสมัยหลือเกินตอนนี้ติดขาดไปเลยพออันความสุขความทุกข์ก็จากความคิ ด, คดจะไม่มีอีกต่อไปตัางแตนี้ แล ว, วิชเชนี้ปฏิบัติธรร ม, มีการวิจัยสุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายทีใจปัญหาเกิดขึ้นที่กายทีใจอันเจ็บปัญหาเกิดเจ็บที่กายิใจมันไม่หนีไปไหนเหมือนกันหมดทุกคนทุกชีวิตนะมีสติก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เราหลงคนเขาไม่หลงอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ สิ่งที่เราเป็นทุกข์คนอื่นเขาไว้ทุกข์า จ, จะต่างกันตรงนี้แล้ก็มีเหมือนกันหลงเหมือนกันทุกข์สุขเหมือนกันเวลามันพ้นจากสิ่งเหล่านีน้มันก็พ่นเหมือนกันไม่ใช่พ้นคนละอย่างอเอาเลยพวกเราขอเชียร์ขอสนับสนุนให้ดีวันนี้คืนขึ้นมีสติมากๆขึ้นความหลงจะหมดไปหมดไป เมื่อเขาลงหมดไปมีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนทำให้เกิดการเหนือเกิดเจอเจ็บตาในชาติปัจจุบันในวัยนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถอครับครับ